เ, เย็นระวก็งทาเย็นอีกครั้งหนึ่งทามันเย็นถ้าท ร, รมันร้อนพระเจ้าหลวงพ่ อ, องเขียนท่านก็พูดธรรมะแสดงธรรมะเทศนาธรรมะเราก็ได้น้อมมาซ่อมสติเสริมปัญญา ในการปฏิบัติกันต้องวันทบทวนเศรษ้านพูมาเช้าก็คือการที่เรามาวังทำโมท่ ง, งเงาเหออนอนกันอยู่หรือเปล่ารือว่าให้มีสติหรือครู้รูปนามมันสุดยอดรู้สมมติมันสุดยอดรูปมม้ปรมาถมันสุดยอด เห็นกายเห็นวาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นกายสอกายเห็นเวนาสาวเวนาเห็นจิตสาวาจิตเห็นธรรมสาวาธรรมสุดยอดเวลาไปวัดไปมันก็จะเกิดกายแล้วตาจิตโลตาเบากายเบาใจขึ้นไหมเหมือนกันไม่ได้เดินบนดินเบาเห็นสมมุติหนึ่งสุดยอด ในโลกนี้มันแต่สมมุติว่านะมัางความคิดมันก็คิดเป็นสมมุติเวลาเรารู้สมมุติมันหลุดมันก็หลุดออกเบาเลยเหมือนไม่ได้เดินบนดินนเ่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราได้สัมผัสหรือเปล่าสิ่งที่ท่านพูดมันก็มีจริงเป็นสริธรรมความจริง ที่มันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเวลาเลยย่งเห็นสาระไศเห็นนี้วเวลาเห็นข้างนอกตายกระทบครูปแต่ว่ามันกลับมารู้ตัวจิตปกติตัวนี้นจะกอก ว, ว่ามันเป็นสุดยอดเลยถ้าเป็นภาษาที่ท่านจะพูดต่อคือมันเป็นสุดยอด ย่มเกกระโดดกอดมงกุฎทำ ม, มงกุฎของทำ ม, มันมีอยู่สูงสุดสภาวะของความเป็นปกติภาวะที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรมันก็มีอยู่ในความรู้สึกตัวถ้าทำเป็นผลมันอันนี้สงองมันสภาวะของประวัติาส์สภาก็คือมันไม่ไม่เข้าไปในอาการต่างๆ ไม่ก็ยาต่างๆวัตถุที่มากระทบอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเช่นเนี่ยเห็นง่ายๆเลยภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแต่เราโดนปรุงไม่ได้เลยมันเรยปรุงเป็นภาษาอะไรในความคิดในสมองมันก็เห็นเฉยๆมาเราไม่ชำนาญเรื่องภาษาอังกฤษฟังเพลงฝลั่งฟังแล้วไม่รู้ควาหมายมัเฉย ๆ, ๆ รู้สึกว่าทำนองมันเอืมันก็สนุกดีฟังแล้วก็คึกคักดีแต่มารู้เรื่องเลยเราฟังคนต่างประเทศก็ด่าแล้วเฉยๆรุ่มด่าเลยมารวมกันแต่ถ้าคนไทยบางทีไม่ได้ด่าแล้วผู้เสียสีอะไรย่อเย้ยเปรียบเทียบตากถางแล้วโอ้ร้อนบูบแล้ว คือมันใบเทียวก็ไปในสมมติในภาษาต่างๆเวลาปฏิบัติเราก็สัมผัสเราว่าสัมผัสนะเลื่อนไม้เคลื่อนมือกับการวางไม้วางมือขึ้นมาก็จะวางรูปกายลําเป็นรูปธรรนะมมะไงก็วางวางกายเราเห็นกายมันก็สบายๆกับาการเคลื่อนก็เริ่มมีสีนขึ้นมาปกติกายปกติไม่เก๊กไม่เกรงไม่เกินไม่เกินไม่เพ่งไม่จองไม่เครียด ไม่เค้นรู้สึกผ่อนคลายอยูเวลาเป็นแบาเราจะได้สัมผัสกับมันถ้าเราทำไม่เป็นจะตึงทีเดียวนะตึงทำแล้วก็ปวดเมื่อยนั่งดนานเดินนานมันเดินไม่ได้ปฏิยาการของกายมันไม่ชวนไม่ยวนทานั่นคือแบบฝึกหัดที่เราจะต้องผ่าน เมืราฝึกเราจะได้เห็นบาจางเราก็เหมือนกันระหว่างที่พูดเสียงแหลมสมมติจะพูดให้โยมคึกคักในไม่ ย, ยากเลยนะจะพูดให้หน่าสนใ จ, จใช้โทนเสียงสูงเอาไว้ปลุกเราเวลาเราหายปากเวลาก็หาเสียงพูดให้มันดังให้มันมีพลังออกมาเรื่องจริงไม่จริง ม, มาสนใจคนฟังเรื่องอืม จะพูดให้ร้องไห้ทองพูดเสียงทงทุ่มโทนต่ำๆช้าๆลงมาเสียงต่ำเลยยออย่าลมคอยตามมีฉุนคืนปกติพูดไปธรรมดาธรรมชาติเฉยๆเราเห็นแล้วอ๋อมันมีคำพูดแบบนี้แล้วการวีบแค้นในหลอดคอหลอดเสียงแ ล, ยแล้ว่าการมีปฏิกยาแล้วอ๋อสัมผัสได้ระวังด่าก็ไม่ดา่าให้สังเกตเวลาพูด โกหหรือพูดความจริงเนี่ยมันก็สัมผัสาการได้เลยอ่ะเราเห็นกายมีศีลวาจามีศีลนันตีเริ่มทุกศีลอย่างไรมันเป็นวาจาสุภาสิทธิญาวาจาเป็นคํามัติลดเป็นคําธีรภาพผู้ละสร้างสรรนี่มันเป็นยังไงแล้วมันเป็นเพจเจอสาเสียดคำหยาบโกหกผิดศีลผิดธรรม เราอ่านมาดูเราเห็นเลยทันทีพูดเป็นธรรมชาติพูดเป็นกรรมเป็นยังไงเจตนาพูดเพื่อให้มันเกิดผลอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยพูดเป็นเพียงแค่ธรรมชาติเพราะวาสนามันถูกวาดมาอย่างนั้นฝึกหัดมาอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงอนะยากเต็มทีแต่ว่าจิตบริสุทธิ์มันมีก็มันอยู่ในในคําพูดเราได้เห็นเออ กายมีศีนวัจจามีศีลจิตใจก็ปกติมีศีนด้วยแต่ใจมีศีนวาจามีศีนวัจจามีศีนร่างกายเราไม่ได้บีบขั้นอะไรบีบเก็นอะไรโยงกันไปโยงกันมาะสภาวะของสักตวะสักตวะสักตวะนี่ก็ต้องคิดสักตวะคิดจิตสักตวะจิตอาการของจิตเป็นเพียงแค่อาการของจิตไม่จิตเดิมแท้ จิตเดิมแทนปกติอยู่เราจะเห็นในขณะเราใส่กรอกไว้มันนี้แหละที่เราเจตนาเคลื่อนไหวรู้สึกนั่งสร้างชัวาหรือว่าเดินจงกรมหรือว่าจะทำรูปแบบไหนๆก็เหอะเราได้เห็นปรากฏการณ์มีอยู่จริงๆในตัวเรานี่ยแหละแต่เราจะต้องหันกลับมาดูสักหน่อยปฏิบัติปฏิว่ากลับมาหันกลับมา ดูตัวเราสักหนะ่อยมันจะได้ไม่ลังเลสงสัยหันซ้ายหันขวาพุ่งไปสู่วัตถุ ก, กรรมคุณเป็นลษณะของสัมปเวสีโอปปาติกะมันก็จะมีพบชาติเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินตาดูกะคิดเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่องเดียวกันสองคนยนต์ตามช่องคนมองเห็นเป็นคนตมอีกคนกับมองตาแหลมคมเห็นดวงดาวปล่งปลาปลาย มีคนได้แต่งเอาไว้มันก็จริงบางคนก็เห็นก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนะก็เห็นสักาวานะเห็นเฉยๆเคยมีสมัยพุทธการเนี่ยเคยมีคนอยู่คนหนึ่งเป็นเอกาตะะทางด้านการตัดสู้เร็วที่สุดในโลกตัดสู้ไวมากรู้ธรรมะแจ้งประจักษ์ขึ้นมาเป็นพระรหันต์ทันทีทันใด ชื่อว่าภาัยยะพาลุจิิยะเป็นพ่อค้าเดินทางทางทะเลอันนี้เรือมาอับปางภาัยยะพ่อค้าพืนี้ก็ดำผุดดำโปร้รอยคอจนสลบสไลายขึ้นซัดมาถึงชายฝั่งไม่ตายสลบอยู่ชายฝั่ง พอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเดินเป็นคนรูปงามขึ้นมันซัดเอาผ้าหลุดลุ่ยไปหมดและก็ขนาดแกงยีนเวลาสืบหนามีเงนินใส่เข็มขัดใสแล้วมันยังหลุดลุ่ยไปเลยกางเกงสอบมันอืดมันหลุดออกเองเน้นถึงผ้าแขกมันเป็นยังไง ตาแกรอะประเภทไม่ต้องมีเข็มขัดขยุมขยุมแล้วก็เหมือนนุ่งผ้ากามาไงนะหรือเหมือนนงผ้าถุงสมัยโบราณก็พอพับไปพับมาพับไปพับมาพอมันแนบตัวแน่นดีก็พับลงพับลงพับลงพับลงน้ำมันก็จัดหลุดลุยนไปหมดก็เลยหาเศษขยะเศษใบไม้ เศษผ้าซึงมันในระบัว เ, เศษแลแต่นึกถึงว่าเศษเหล่านี้แหละเอามาปิดเอาไว้ยวอนส่วนที่ควรละอายการอุจจ า, าราก็เดินไปคนก็เห็นอะบุรุษพวกนี้ในมักน้อยแท้คงจะเป็นพระละหันก็เลยได้รับสการะมากไปเออสบายดีเนาะเพราะบอกเป็นพระละหันก็เอาขอมาให้มีอาหารมีรับสการะ ก็เลยอยู่มาเรื่อยๆเลี้ยงชีวิตตัวเองมาจนกระทั่งมีเทวดามาบอกว่าเทวดาคืจะเป็นคนที่เป็นพระคาวานิชแล้วก็มีกินมีใช้หรือว่ามีปัญญาเห็นและก็สงสารนะก็เลยเอท่านไม่ได้เป็นพราหันหรอกพระาหันเนี่ยตอนนี้กําลังเดินทางมาสัโโมสสมาโคดมองสมเสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะอยู่ใกล้ๆนะพอได้ยินกว่าพรานหะันตัวจริง ก็หูพึงเลยทั้งวิ่งทั้งเดินนะเป็นวันเป็นคืนก็เหิดกระหอบเลยมาถึงเช้าวันลงึ้นเจอองค์สมบัติสมมาสมุทธุตเจ้ากำลังบิณฑ บ, บาตอยู่จึงเข้าไปถามเลยทันทีทันใดเมื่อเจอทำที่ทำให้เกิดการบุรุษธรรมเป็นบาหลานเนี่ยมันเป็นยังไง ผมจะสมเด็จสมาเจ้าเห็นว่ายังเหนื่อยอยู่ยังไม่พร้อมที่จะรับฟังฟังแล้วก็ให้ครวนเกิดการบรรลุธรรมก็ยังไม่พูดไม่บอกเห็นว่ายังเหนื่อยมากยังหอบอยู่เดี๋ยวพักให้หายหเหนื่อยก่อนเราจะพูดมันจะมีประโยชน์กว่าก็ไม่ตอบบอกเดี๋ยวเราจะบินดาบานให้เธอนรอก่อน ถามครั้งที่สองอีกทาที่ทำให้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นยังไงบอกให้รอก่อนก็เลยพูดสัวนะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวกลับมาเราจะได้เจอกันไม่ตายจากกันไปซะก่อนพระเจ้าก็ออดีมีเหตุผลดีอันนี้ประการหนึงอีประการนึงก็คือทวงถึงสามครั้งแล้วถามตอบถามตอบนะเวลาที่ผ่านมาก็สังเกตเห็นว่าหายเหนื่อยละ จิตร้อมแล้วที่ฟังแล้วก็จะเกิดการบรรลุธรรมคือแปลงยิงท่านก็จะมีธรรมมุติตะกยานอย่างรู้จิตคนอย่างรู้อัตยาศัยคนใช้งานใช้การได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่เห็นกระรัวมีความถนัดยังไงความสามารถเป็นยังไงใจถูกมีความสำเร็จหน้าที่การงานต่างๆถ้าใช้ไม่ถูกคนครบครบท็กสร้างบ้าน เลเทะไปวันเสร็จแล้วท่านาก็เลยบอกว่าอืมภริยะเธอจงสำเนียกว่าเห็นก็สักทวว่าเห็นยินก็สักทวว่ายินหมายถึงว่าได้ยิ น, ก, นก็สักทัวว่าได้ยินกลิ่นก็สักทววกลิ่นลิ้มรสก็สักทัววลิ้มรส คำว่าศักรว่าน่นะจะทำให้เธอไม่มีทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วก็โลกไหนๆก็ตามพายาฟางปวัตบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีพิบตาเดียวพระองคก็เสด็จเดินบิณะบาตต่อกลับมามาเจอศพโดนควายไอ้โดนวัวโควแมลูกอ่อนฟิดตาย ควายอินเดียเนี่ยฟิตไม่ได้เพราะถ้าเราไปเห็นควายอินเดียแล้วจะงงมากควายข่าวมันมว้มวนๆเหมือนกันเล็บเวลาไวยาวๆแล้วม้วนๆม้วนๆเหมือนกับขาวว่าโดนแดดแล้วมันเหี่ยวลงไงฟิตไม่ได้แต่วัวมันขมเข่างุมแหละเดินบนถนนไม่มีรถคันไหนชน้วอกถ้าชนเป็นเรื่องชนคนตายกับชนวัวตายเนี่ยชนวัวตายนะเป็นเรื่องมันเป็นพระเจ้าแล้วใช้พระเจ้าก็หนักพอสมควรทีเดียว หลักเวียนตีงสี่ห้าเล่มต่อๆกันทุกอ อ, อยแน่นเอียดเลยทีนี้ต่อพระวจชามาเห็นโดนโคไม่ลงอ่อนคิดตายก็กลับไปบอกว่าสาริบุตรว่าไปให้ไปทําศพพระลหันทีนะพระสาริบุตรก็ถามอา่าใครเป็นพระละหันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พัยยะเอาเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ตอนที่เมื่อกี้เราพูดธรรมะนั่นแหละบรรลุปเป็นพระอรหันตะ์เจอการตอนบินาบดให้เธอไปเผาศพทีนจัดการกรบับศพอินเดียถ้าเป็นพระนี่ก็จะเผาเนะี่ยเผาศพถือว่าเป็นของสูงมากอย่างโยมเมืองไทยที่เผาผๆกันหรือว่าชาปรกิจเนี่ยสูงมากเป็นพเพณีที่เคารพความเป็นมนุษย์ของอินเดียนี่ บางทีถ้าเป็นเด็กเขาก็าจะไม่ยุ่งเลยเอารอยลิมฝั่งแม่น้ำคงคาไปเลยหรือว่าตอนหลังเนีน่ยเขามีลักษณะของชาณน ก, กิจขึ้นมาเป็นที่นิยมก็คือลิมฝั่งของแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีนะไฟไม่เคยมอดเลยไฟไม่เคยมอดสี่พันกว่าปีมาแล้ว บางทีก็เอาให้นกแร้งฉีกินเลยเอาไปทิ้งคาหาบดีพวกนี้ถือว่าทําบุญไหนๆก็จะต้องเผาเป็นกีแท้าไว้ให้เป็นอาหารสัตว์ดีกว่าให้ตยตอีกลหลายชีวิตดํารงอยู่ได้เป็นการเสียสละก็ถืออย่างนั้นก็ได้แลพระธวรมจักรตวะาสตวะหลวงพ่อบอกว่าเออเวลาไปอดทำเนี่ยจะมีอารมณ์เออสงสารตัวเอง สงสารตัวเองเราเกือบตายมาล้เกือบจะไมด้พบจะจะทำความจริงที่มนมีอยู่ในโลกมนุษย์นเนี่ยโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเมืองไทยศาสนามีมากมายเรือ่องแต่ควาเป็นศาสนพิธีเป็นเรื่องของพิธีรีตองเป็นเรื่องของศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนสถานแต่าการเข้าถึงศาสนธรรมก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําลงมือกระทำลงไปเรื่องกรรมฐาน การนั่งการเดินการยืนการนอนการหายใจการกระพริบตาการจรประทานอาหารการกินกันกราบถ่ายพวกนั้การพูดการนิ่งมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ละเอียดเราฝึกจักหยับหยาไปก่อนจนเห็นความเป็นเองละเอียดหน่อยจนถึงความคิดมันเคลื่อนมันไหวมันว่ามันไหวมันวูบมันว้าแวบไปแวบมาเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้ อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาจะรู้สึกได้อันนี้จะต้องมีมาตรฐานของจิตจิตปกติจิตเติมแท้ที่มันเป็นค่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เป็นการตั้งศูนย์ศูนย์จิตศูนย์กายศูนย์ของชีวิตใช้รถใช้ถนนใช้รถโดยเฉพาะนี่มันต้องตั้งศูนย์อยู่ตลอดเวลาเวลากีนะ่วันเข้าศูนย์กี่กิโลเข้าศูนย์ มันก็มีบอกอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งศูนย์ตวงล้พรมอะไรปล่อยมือได้วิ่งไปไหนก็ไปเถอะแสดงว่าได้ศูนย์โลกเกน้ํามันพวกนี้ต้องศูนย์แล้วขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะได้รู้นีมันจิตของเราพอมตั้งศูนย์เนี่ยมันขึ้นมาเท่าไหร่บวก 10, สิบสุกเต็มสิบเนี่ยทุกสิบลบเต็มสิบเนี่ยบวกบวกลบๆบเราก็รู้และแค่ศูนย์ไม่มีเราก็วัดได้ พอจิมเริ่มผิดปกติไปแล้วกลับมาตั้งศูนย์ทันทีชีวิตึงจะได้ไม่เสียศูนย์เป็นชีวิตที่มีสมดุลเป็นชีวิตที่พร้อมใช้เหมือนรถลาเหมือนกันนั่นแ ะ, น ะ, นะชีวิตของเราเนี่ยเราดูแลกายดูแลใจเรามากน้อยเพียงใดร่างกายเราอาบน้ำอย่างน้อยเวลาสองครั้งเคยนั่งสมาธิเจริญสติเวละหนึ่งครั้งหรือเปล่า เราเครับประทานอาหารวันละสามมื้ออาหารไกายเราเคยนั่งปฏิบัติธรรมเจริญสติวันละหนึ่งครั้งหรือเปล่าหนึ่งมื้อนะมานาคิดนะอะไรมาควรมีจนเป็นนิสัยได้ตั้งศูนย์จิตนะไหนว่าทั้งวันเนี่ยเราขยะความคิดเต็มไปหมดแล้วไหนว่าเราอยู่กับโลกนะขยะของโลกกับเปลื่อนเรามาในรูปรอยขอยงการคิดความพอใจไม่พอใจผัสสะใจไม่พอใจ ก่อ น, นอนเราเคยไหมหลังอาบน้าเราเคยไหมก็คือล้างความคิดของเราชำระความคิดออกไปหรือว่าให้อาหารจิตของเราโดยการเอาความคิดที่ติดมาทั้งวันเอาคืนไปเวลานอนไม่ต้องหาเรื่องมาคิดนอนก็จะทําหน้าที่นอนยิ่งวันทำวันเราไม่ได้ทํางานวิจัยความคิดีไม่ได้กรบคิดจนปวดหัว อาไดใช้สมองก็เป็นการช้ำละขนาดต่อขนาดไปเลยพูดเสร็จแล้วก็แล้วกันทําเสร็จแล้วก็แล้วกันก็เหมือนที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปมันก็จึงเป็นชีวิตใหม่อยู่เสมอเจอกันก็เป็นคนคนใหม่ไปทักทายก็เหมือนกันเออก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรต้องขัดข้องหมองใจกันหรือว่ากุนเคืองประทับใจมาว่าใจก็เหมือนกับเป็นคนคนใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี มันไม่ต้องเสียแซงแก้งทําเป็นมารยาทไม่ใช่แต่มันเกิดจากข้างในของเราที่มันเป็นความบริสุทธิ์เรียกว่าพรหมจรรย์เป็นพร่างก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของไม่มีการหาค่าพยาบาทปลูกพยาบาทจองเวนะหรือว่าคิดเป็นศัตรูกุ่อริคอยจองร่างจอ ง, งผ่านไม่แต่ให้อภัยแล้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ช่างหัวมันมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเป็นเช่นนั้นเองอันนี้มันก็เกิดมาจากความรู้สึกตัวคุณธรรมต่างๆมากมายแล้วกันที่จะหยิบมาใช้ใช้แล้วเก็บที่เก็บทางทุกสิ่งทุกอย่างสภาพทำใช้ได้เกิดประโยชน์ทั้งหมดเราก็จึงไม่ต้องไปลังเกียดเวลามันเบื่อเวลามันแซงเวลามันม่วงเวลามันมีอารมณ์อะไรจอนมาที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศูนย์จุดศูนย์ บางทีก็มีราคะราคะความสุขความพอใจความโลภการได้มาปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นมันก็ใจฟูขึ้นสรรเสริญได้ลาบได้ยศได้ฟูขึ้นถ้าเรามีปกตกิเราก็รู้แล้วอ๋อมันผิดปกติเราปรับกลับเข้ามา หรือว่าสติปัญฐานก็รู้เท่ารู้ทันก็ปรับเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องตั้งกรรมฐานที่ฐานกาย ก, ายก็ได้มันเป็นเรื่องของสติดูจิตแต่ใหม่ๆก็ต้องสติดูกายเหมอนการเคลื่อนการไว้ทําเป็นก็สติดูจิตเป็นท้ายสุดกสติรู้สติก็คือมารู้ตัวมันเองก็เป็นขั้นเป็นตอนที่เราจะต้องเดินผ่านเหมือนกันทุกคนละลองรอยเหล่านี้ ก็จะเป็นเรื่องที่เราทําได้ทุกคนการปฏิบัติธรรมมากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างก็ไม่เป็นไรก็รอกันคล้อยกันถือว่าไปทางเดียวกันสาธววารณรัฐประชาธิปไตยบริษัทเป็นลนักษณะของสัตว์ประเสริฐเป็นลนักษณะของผู้เจริญก็จะมีธรรมะเหล่านี้จากทานเป็นศีลจากศีลเป็นภาวนา จากภาวนาก็หลายๆวิธีเอารวมกันเป็นหนึ่งเป็นวิปัสนาญาณไม่เกี่ยวกับรูปแบบแล้วก็เกี่ยวปัญญาที่เกิดจากตาในจริงๆตาสติปัฏฐานมันมีสติก็ต้องมีสัมผัสยะมันมีสัมผัสยะก็ต้องเรียกว่าใช้ได้จริงท้ายสุดก็เป็นปัญญาญาณในขั้นตอนต่างๆท้ายสุดสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาจะเป็นยังไงตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันก็เป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ใช้ชีวิตยอย่างเป็นอิสระทางจิตวิญญาณตรงนี้อยู่กับโลกไม่ติดโลกแน่นอนโลกสมมตุติโลกคือโรงละครโรงใหญ่มีบทบาทมากมายแล้วก็นเรายายทำหน้าที่ต่อกันอย่างตรงไปตรงมาเช่นทิศหกเกี่ยวข้องพ่อแม่ยังไงเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อท่านแก่แล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วคอย อุปธากุปธามดูแลกันเมื่อท่านแก่แล้วหมดเลี้ยวหมดแรงเวลาเราอยู่ก็ต้องช่วยเหลือเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้าําอาบท่าบางทีก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําเมื่อจําเป็นแล้วแหละบางทีก็เผลอไปเลยลืมเรียกลูปเป็นแม่ก็มีบางทีมันมีอยู่คนหนึ่งก็เคยมาทําเนี่ย ทำงานจนกระทังเรียกว่าเป็นระดับหัวหน้าใหญ่ในธนาคารในแบง์แต่ด้วยความเป็นคนที่รักแม่มากแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมาดูแลต่อมาหรือว่าต่างชาติต่างด้าวเข้ามามันก็ไม่เหมือนกันลูกดูแลแม่เขาลาออกมาดูแลเลยอายุเก้าสิบสามปีพ่อกับแม่แเท่าๆกันแต่กว่าเวนี้ลืม หลังจากที่ดูแลกรมานานะกลายเป็นว่าเรียกลู ก, กว่าแม่แม่อ้อยแม่อ้อยกอประตูนหน้าห้องนะเดๆนๆเปิดให้ลูกด้วยลูกจะไปนอนกับแม่โอ้ขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนะโยมพอนอนก็ต้องขอกอดหน่อยนะแม่นะขอกอดแม่หนะ่อยแม่เอามือมากอดลูกด้วยเรียกลูกเป็นแม่โอ้เราก็ ถ้าเป็นเราว่าทุกตายแหลนะบุานมันเล่นบทกลับกันนถ้าเล่นบทให้ถูกทิศถกเนี่ยบทแม่อยู่ตรงไหนบทลูกอยู่ตรงไหนสามีภรรยาอยู่ตรงไหนพ่อแม่ไว้อกหน้าเลยไปไหนพ่อแม่ออกหน้ามันสมัยก่อนผู้ชายไทยเนี่ยออกจากบ้านยิ่งจะไปรบเนี่ยอาตมาเคยทํำนะที่เพือ่อนยเวลาออกจากบ้านไปไหนนะผ้าถุงแม่นะต้องเอามาไว้กับตัว มันมีแบบความรู้สึกไปไหนปลอดภัยเวลาเราปู้ถุงแม่มาทินี้ตาหานก็ไปลบเมินได้แฝงพระแฝงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยบางทีก็จะเอาใสา่ใสยที่บ้านเรากรอบใส่หัวก็ถือว่าความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต้องไปแวนพระแวนอะไรมากมายลุมแรงก็ไม่ได้ถือความศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นแต่ถือลักษณะของทิฏฐหกที่เป็นบุคคล ไปเพื่อลูกเพื่อภรรยานะไปตายอดาบหน้าเพื่อจะหาทรัพย์กลับมาเลี้ยงครอบครัวบริวาลเอาไว้ดานไหนบริบาลเอาไว้ดันลา่างไม่ต้องยกเกินมาไว้เสมอเลือว่าเอามาเกินเติร์ดทนอย่างนั้นก็เรียกว่าทาหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงอย่าบริวาก็ถึงเวลาให้เขาพักงาน ให้เขาได้พักผ่อนถึงเวลาหาของแปลกๆตามการและสมัยมาให้กินเราก็ใช้ให้เขาทำก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาอยู่ได้เพราะเขาทำแทนเราว่าจะมีลักษณะของคุณธรรมต่างๆเกี่ยวข้ อ, องถูกต้องกับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะเมื่อมากลุกยืนต้อนรับอุปถาอุปถัมเรียนรู้ศิละปะของท่านด้วยดี น้อมรับมาฝึกมาหัดนักท้ายสุดก็คือท่านแก่เท่าก็พยายามที่จะดูแลอุปถาคนี่เราว่าครูบาอาจารย์เราก็ทำกันมันเป็นหน้าที่ครูอาจารย์ไม่เห็นสิทธิ์ทำอย่างนั้นเราก็แนะนำดีสอนดีไม่ปิดบังอําพรางเลยวิชาถ่ายทอดทั้งหมดทุกเม็ดแล้วยิ่งให้ยิงได้ให้วิชาความรู้แล้วท้ายสุดก็คือ เมลุกศิตนะไปที่ไหนก็พยายามเปิดทางสว่างให้เปิดทางสว่างสว่าให้ไม่ให้ก็มีความทุกข์เลยก็เลยไปไหนก็นี่สิชั้นะนะสิชั้นนะช่วยดูแลต้อนรับด้วยนะดูแลด้วยครูอาจารย์ด้วยกันก็โอ้เลอะเๆอลก็อยู่ด้อย่างดีเลยหรือว่าครูอาจารย์ที่ดีก็จะพยายามที่จะยกย่องให้ชื่อเสียงมัน กล้องอยู่ในหมู่ของคนที่อในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ในเราอ่านออกเลยว่าเขาคิดยังไงกับเราเราก็เห็นกันทุกเม็ดเลยอย่างนี้นะอันนี้มันเกิดจากแล้วนะของกายวาจาใจนะที่เป็นคุณเป็นโทษนะหรือว่าเป็นธรรมะเป็นอาธรรมอย่างไรมันก็เกิดอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยนะเพรา ะ, ะศึกษาุษษาิสัชฌ์หนาในศึกษาที่ความรู้สึกที่ตัวนะเริ่มต้นที่ฐานกายก่อน จะเห็นกายบอว่ากายไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขาเวทนากระบวนกันศักทะว่าศักรว่าจิตกับักรว่าทําก็บศักรว่าเันจะศักรว่าเพราะฉะนั้นการเคลื่อนมือแล้วก็ศักทว่าเคลื่อนเดีนะก็ต้องให้เห็นทุกันความคิดก็บศักรว่าคิดทำเป็นอาการของจิตไม่จิตจิตเดิมแท้ว่าสอรปองไซอยู่เสมอเนีเราก็จะได้เห็นมันอนนี้เป็นกำไรชีวิตของเราจริงๆจะได้หายใจเข้าหายใจออกใชีวิตเหลือยู่ยังมีกำไรชีวิต มีความผาสุกสงบเย็นอย่างเงี้ยไทยส่วนเขจะยิ้มได้จริงๆมืาไพร์ ม, มาเขาด่าแล้วก็ยิ้มได้ใจมันยิ้มอยู่ะ ร, รู้ว่าเขาทุกข์ไปทุกข์เขาทําไมเขาไม่มีเมตตาเราเราก็มีเมตตาเขาก็ไม่รักเราแล้วก็รักเขาแทนไปช่วยเหลือกันอย่างนั้นไม่ถือสาหาความไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นอันนีส้สองเป็นประโยชน์เราในที่ได้ชีวิตเป็นสัตว์ประเสริฐที่ต้องฝึกแล้วก็ฝึกดีแล้วนําสุกมาให้ นในท้ายสุดนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเรากลับพระพร้อมกัน